มีเงินเด่ไหรนี้ให้ยกให้คนอื่นไปหมดเลยเพราะว่าความสุขของพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขของพระพุทธเจ้านี้ให้ใช้สติสติควบคุมความคิดถ้าเรามีสติเราหยุดความคิดได้หยุดความคิดได้ใจก็จะสงบแต่เราตั้งแต่ตื่นมาจนหนึงวันนี้เราเคยหยุดความคิดแล้วบ้างไหม เราปล่อยให้มันคิดตั้งแต่เตะขึ้นมาเลยพอลินตาก็คิดลว้วันนี้วันอะไรจะทำอะไรดีไปหาอะไรไปทำอะไรไปกินอะไรไปดูอะไรคิดไปอยู่ยกับเรื่องเราเหล่า น, นี้กินเสร็จแล้วจะทำอะไรดีทำเสร็จแล้วจะกินอะไรต่อดีก็วนไปเวียนมากับเรื่องกิ น, กนเรื่องทำนี่แหละจนถึงเวลามืดค่ำเหนื่อยก็นอน พอตือนขึ้นมาก็คิดแบบนี้คิดหาเงินคิดหารูปเสียงกินรถต่างๆอยากดูอยากฟังอยากมีอยากเป็นอยากได้เนื่องอยากได้นี่เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นแล้วได้มาเท่าไหร่แล้วเป็นยังไงอิ่มไหมพอไหมเนี่ยตั้งตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยแต่ว่นเนี้ยมันคิดมากี่กี่วันละปีละสามร้อยหกสิบห้าวัน กินมาเที่ยวมาเล่นมาดูมาฟังมาอะไรมามากม า, กายกายกองขนาดไหนพอหรือยังอิ่มหรือยังก็ยังหิวเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมเพราะใจไม่สงบถ้าใจสงบแล้วมันไม่หิวไม่อยากได้ใจจะสงบก็ต้องมีสติ ติเป็นเหมือนเบรกลดเนี่ยเวลาจะหยุดรถเนี่ต้องเหยียบเบรกลดมันถึงจะหยุดแต่เรามีแต่คันเร่งนะ่ความอยากก็คือความเร่งยิ่งอยากก็ต้องยิ่งหายิ่งหาก็ต้องยิ่งอยากหามาได้เทไหร่ก็ไม่พอได้คือก็อยากจะได้เป็นสอกนะได้สอกก็อยากจะได้เป็นวาเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครครีมข า, ขายดีก็อยากจะขายดีกว่านี้ มีบริษัทหนึ่งเดียวก็ต้องขยายเป็นสองบริษัทสามบริษัทแต่ใจไม่มีความสุขใจก็วุ่นวายอยู่กับการหาต้องมาหยุดใจต้องมาสร้างสติกันสตินี่ คือการห ย, หยุดความคิดเราต้องใช้ความคิดที่ไม่มีความหมายไม่ได้ทําให้เกิดความอยากนี่มาหยุดความคิดที่ทําให้มีความอยากเกิดขึ้นมาอย่างนี้คิดพุดโทโธพุโทโธอะไนี้มันไม่มีความอยากคิดไปจะมันตายก็ไม่อยากถ้ามีแต่พุโทโธอยู่ในใจนีมน้มันจะไม่อยากดูอยากฟังอยากอะไรนะ ถ้าไปคิดอย่างอื่นเดี๋ยวไปแล้วคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาเพื่อนคิดถึงขนมก็อยากจะหาขนมกินพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ใจต้องมาหาพระกันมาขอไผ่พระช่วยกันพระก็ช่วยแล้วเนี่ยบอกว่าวิธีจะหายทุกข์ก็คือหยุดความอยาก ไม่ใช่มาช่วยโยมให้ทำตามความอยากให้ได้ตังใจอยากโยมอยากจะขายครีมดีให้หลวงพ่อมาช่วยหลวงพ่อจะช่วยยังไงหลวงพ่อเองทำครีมไม่เป็นนะตอนนี้โยมทุกใจเาะอยากจะขายครีมดีเข้า ม, มถ้าอยากจะหายทุกข์ใจก็อย่าไปอยากขายดีขายไปตามบุญตามกรรมเข้ม ขายดีขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ดีเราจะไม่ทุกข์ใจถ้าอยากจะขายดีแล้วมันขายไม่ดีก็ทุกข์ใจกันเ็นต้องนี่มาช่วยแก้ความทุกข์ให้เราเนาะโยมไม่สบายใจก็บอกวิธีให้แล้วนะบอกสาเหตุของความไม่สบายใจให้แล้วนะ ก็อยากจะขายดีแล้วขายดีไหมละ่ะก็ึ้นเริ่มก่อมไปได้อ๋อไปได้ทีมทางหากเลย <c oughs> ทางยากรักษาผิว <c oughs> อ่ะ รักสาวได้แลยผิวนี่มันไม่เหี่ยวแล้บ้านอยู่ที่ไหนชนบุรีนะคะใครมาหรือเปล่าเนียลูกเคยมาสองครั้งทำมาทำมาสามครั้งก็ต้องรู้เรื่องมามามาเพื่ออะไรนะ ค่ะเ ข, ข้าใจ่ะ ม, มาเพื่อความสบายใจายามาเพื่อกาบนมัสการนะจ๊ะอ <c oughs> เอาความสบายใจดีก่อนนะความสบายใจนี้ไม่มีใครเขาเอาจากเราไปได้เพราะเราเป็นคนสร้างมันเราไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ ถ้าเราใช้เงินเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวเงินหมดแล้วก็เราก็หาไม่ได้หาความสุขไม่ได้เรามาใช้สติดีกว่าถ้าเรามีสติแล้วเราก็เหมือนกับมีเงินดีกว่าเงินเองเราใช้ไม่หมดไม่ต้องหามีอยู่ในตัวเราตลอดเวลายิ่งใช้ยิ่งยิ่งยิ่งมีมากขึ้น ยิ่งจเจริญสติเท่าไหร่ยิ่งมีสติมากขึ้นไม่เหมือนเงินยิ่งใช้ยิ่งหมดแต่สตินี้ยิ่งใช้ยิ่งยิ่งมีมากขึ้นพุโทโธได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะมียิ่งจะมีพุโทโธมากขึ้นไปทางนี้มีพุโทโธแล้วใจก็จะเย็นจะสบายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ครีมจะขายดีไม่ขายดีก็ไม่เป็นไรขายไปก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอร่างกายยังต้องเลี้ยงมันอยู่ก็ใช้การขายครีมนี่แต่ความสุขอย่างอื่นใช้สติดีกว่าความสุขเรื่อ ง, เ, งเรื่องการเลี้ยงร่างกายนี้ต้องใช้ใ ช, ใช้เงินทองซื้ออาหารสติซื้อไม่ได้ สติไม่สามารถซื้ออาหารมาเลี้ยงร่างกายได้แต่สติสามารถซื้อความสงบให้กับใจได้ถ้ามีความสงบแล้วถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่มีเงินซื้ออาหารให้มันก็ไม่เป็นไรก็ยังทนได้ไม่เดือดร้อนทนไปจนะทั่งร่างกายมันตายไปเลยใจก็ยังไม่เดือดร้อน ใจก็ยังสบายถ้าเราไม่มีสติใจของเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆต่อให้เราขายขายครีมดีขนาดไหนยิ่งขายดีต่อไปยิ่งไม่อยากจะขายดีแล้วเหนื่อยเพราะยังถามว่าเราจะเอาเงันทองไปไหนกันนี้ได้มาก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจเราสงบได้เลยดีใจเราก็ยังหิวยังอยากอยู่นั่น งั้นต้องมาอาหาสติกันไนดะ้วเงินก็หาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอก็ทํ า, าไปขายไปขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายเปลี่ยนอาชีพใหม่มาขายนมครกก็แล้วนมครกนี่น่าจะขายดีนะเพราะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยเขามาวัดทุกวันก็จะซื้อนมครกมาเพาะเข็มถวายพระอย่างเดียว ก็ต้องทาหากินก็ทำไปขายไปมีอาชีพต้องมีอาชีพต้องหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่าไปหาอย่างอื่นมาไม่ไม่ไม่ไม่เป็นความสุขออย่าไปหาเสื้อผ้ามาเต็มตู้ล้นตู้ กระเป๋าไม่รู้กี่ใบรองเท้าไม่รู้กี่คู่เครื่องสำอางน้ำหอมยอะไรต่างๆขอวันนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอมหาสติกันนี่ปะวิธีหาสติก็ง่ายก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไป แลเวลามีเวลาว่างไม่ต้องทำงานก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจก็จะสงบใจสงบแล้วก็จะบอกโอโหมันสุขเหลือเกินสุขเนาะสุขเ น, นาะเคยเล่านิทานให้ญาติโยมฟังว่าสมายพุทธกาลมีหมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีศรัทธาเลื่อมาบวชเป็นพระ แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนจนบรรลุถึงถึงพระนิพพานถึงพระบรมสุขแกก็อุทานอยู่ในใจพูดออกมาอยู่ในใจพึมพำอยู่เนี่ยออกมาสุขเนาะสุขเนาะอยู่ที่ไหนก็สุขเนาะสุขเนาะถ้านเนรเห็นก็คิดว่าแกไม่สำรวม พรธรรมดาต้องสำรวมต้องสงบนแต่แต่นี่ไปไหนะบ่นสุกหนอสุกหนอก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่รรพาพระไม่สำรวมพระพุทธเจ้า ก, รรก็เรียกพระองค์นี้ไ ป, ไ ป, ไปถามว่าเป็นอะไรเหรอทําไมถึงไม่สำรวมสุกหนอสุกหนอะเขาก็บอกว่าสมัยที่เขาไม่ได้บวนเขาเป็นเศรษฐี เขไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอเขามาบวชล้วมาปฏิบัติธรรมวันวันรูน้เขาบอกว่ามันสุขเหลือเกินจนกระทั่งมันกั้นไม่อยู่ก็ต้องต้องพุ่มพ ร, รมออกมาเงี้ยวสุขหนอสุขหนอพระเจ้าบอกว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ถือว่าไม่สำรวมนั่นแหละ พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังคิดดูว่าก็คนระดับพระพุทธเจ้าท่านรวยขนาดไหนท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดไหนท่านยังทิ้งมันเลยเพราะมันไม่สุขหนอเแลมันทุกข์นอมีอะไรมันก็ต้องทุกข์กับมันเพราะอะไรเพราะเรารักมันหวงมันใช่ไหมเรามีอะไรเราก็รักเราก็หวง แต่ของทีเราลากเราห่วงนี่มันก็ไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดจากเราไปเมื่อไหร่พอมีแล้วเราก็ต้องกังวลแทนที่จะมีความสุขจากมันก็กลับมีความกังวลมีความสุขจะชั่วชั่วขณะที่ได้มาใหม่ๆเวลาได้มาใหม่ๆนี่ดีออกดีใจเหมือนคนถูกคอรเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เวลาได้มาดีใจ พอได้เงินมาแล้วทุกข์ก็เลยจะเอาไปเก็บไม่ที่ไหนจะไปซ่อนไม่ที่ไหนจะหลบหน้าใครดีเดี๋ยวไม่รู้ใครจากไหนมาหาเต็มไปหมดมีไม่ดีก็กังวลกลัวเดี๋ยวมีคนมาป้นมาจี้เมื่อก่อนไม่มีเงินนอนที่ไหนก็นอนได้นอนนอนใต้สะพานก็นอนได้พอตกลเ ต, ร, เตรี่นวันที่หนึ่งนอนไม่ได้เนะนี่ยก็เรียกว่าทุกขลราบ จต่อไปถ้าโยมรวยขึ้นมาโยมจะจะต้องปวดหัวเลยคอยว่าจะจ่าเงินนี่ไปทำอะไรดีจะเก็บไว้ยังไงดีเก็บไว้เฉยเฉยมันก็หดเอาไปไว้ธ น, นาคารเดี๋ยวธนาคารเจ๊งก็หมดนั่นหละเศรษฐีเขาถึงรู้ว่ามันไม่มันไม่เป็นความสุขหรอกแต่เขาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเขาติดอยู่กับมันอะ ต้องเป็นคนแบบพระพุทธเจ้าครคนที่มีปัญญามีความสามารถที่จะตัดได้ตัดความสุขตัดเงินทองของของพระรา ช, ชโอรสมีไม่สมัยปัจจุบันเนี่ยลูกพระเจ้าแผ่นดินมีองค์ไหนออกออกบวชกันบ้างไม่มีหรอกหายากบวชก็แค่สิบห้าวัน บวชพอเป็นพิธีทั้งแต่แบบบวชจริงๆบวชก็เห็นทุกข์ในลาบยศสารเสริเนี่ยไม่มีใครเห็นพระพุทธเจาท่านเห็นด้วยปัญญาเห็นเห็นเพราะเห็นร่างกายของท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่จะตามมาพอมันมาแล้วไอ้เงินทองที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีความหมายเลยช่วยอะไรไม่ได้เลย ยับยั้งความแก่เข้าไม่ได้ยับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ไดะยับยั้งความตายก็ไม่ได้ยับยั้งความทุกข์ก็ไม่ได้ท่านเลยเห็นนักบวชก็เลยถามว่านักบวชเขาทาอะไรกันเ้ากำลังหาวิธีอยู่แบบไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่แบบไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ท่านก็เลยสนใจท่านก็ไม่อยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายถ้าจะแก่จะเจ็บจะตายก็ขอหย่าไปทุกข์กับมั น, นก็เลยออกบวช ด, ดีกว่าบวชแล้วในี่สุดก็พบกับความว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยานก็เอาความรู้นี้มาสั่งสอนคนอื่นคนที่เป็นเจ้าชายเป็นสถานภาพเหมือนท่านก็เสด็จออกบวชกันได้เศรษฐีก็บวชกัน กรวนการก็พบกับสุกหนอสุกหนอเป็นควรที่จะมาหาสติกันดีกว่าหาเงินเงินก็หาพอพอให้ไม่อดอยากขาดแคลนพอกินพอใช้แางที่ในหลวงสอนะเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเงหาเงินทองมาพอเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ไม่ให้อดอยากขาแคลนให้มีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์เพื่อที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างสุขสบายก็พอแล้วเอาเวลามาหาสติกันดีกว่าถ้าเราเวลาไปหาเงินก็จะไม่มีเวลามาหาสติเวลาหาสติก็เหมือนทำงานเหมือนกันงาน งานมันงานภายในงานภายในจจ ง, งานนี้ต้องอยู่คนเดียวต้องอยู่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากคนนั้นคนนี้เพราะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวมันจะมาขัดขวางกันสร้างสติกันนีน้จะไม่สามารถพุดโทพูดโทได้เดี๋ยพอเจอคนนั้นเจอคนนี้ก็คุยกับใจ ค, คุยกันมา แล้วก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาใจแทนที่จะสงบ ก, ก็ใจก็คิดพุ่งสร้างต่อถ้าอยู่คนเดียวคอยดึงใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไม่ให้ไปคิดถึ ง, รงเรื่องราวต่างๆใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายพอนั่งเฉยๆใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะพบกับความสุข ดีกว่าความสุขที่ที่มีอยู่ในโลกนี้ความสุขที่ได้จากการขายขายเครืองที่ดีขายดิีขายดีอย่างไรความสุขที่ได้จากการถูกรอ ต, ตรลีรางวัลที่หนึ่งความสุขแบบนี้สู้ความสุขที่ได้จากความสมบูรณไม่น้อยได้แล้วมันมันพอมันเหมือนกับไม่มีความวิตกกังวลไม่มีอะไรเลย ความทุกข์ต่างๆหายไปหมดเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแต่มันเป็นความสุขเดียวๆชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกมาถ้าต้องการให้มันสงบต่อก็ต้องใช้สติเดินเอาไว้อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือถ้าจะรักษาให้มันอยู่ไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ ปัญญาคือต้องคิดไปในทางที่จะสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากเป็นตัวที่จะมาทำลายความสงบเวลานั่งสมาธิจิตสงบออกมาเดี๋ยวพอไปอยากกินนู่นอยากดูนี่แล้วความความสุขที่ได้นั้นก็จะหางไปถ้าอยากจะไปดูอยากจะไปกินอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องดูต้องกินก็ใช้ปัญญาสอนว่า เป็นความสุขเดียววกินแล้วเดี๋ยวก็สุขตอนที่ได้กินแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินขึ้นมาอีกถ้าไม่ได้กินก็จะทุกข์บางทีมีกินแต่กินไม่ได้เพราะร่างกายมันหมห้ามกินอย่างเงี้ยพอกินมากเกินไปแล้วถ้ากินมากไปกว่านี้ก็จะเจ็บไข้ได้ปวยเบาหวานความดันมันจะขึ้นก็กินไม่ได้อยู่ดี แต่อยากจะกินพออยากจะกินแล้วไม่ได้กินก็ทุกข์ถ้าหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์แล้วใจก็จะสงบใจที่มีสมาธิอยู่แล้วนี่พอหยุดความอยากสมาธิมันก็กลับมาความสงบมันก็กลับมาไม่ต้องไปทำมันหรือใจของใครก็ตามถ้าหยุดความอยากได้มันก็จะสงบของมันเอง ทุกวันนี้ที่ใจของเราไม่สงบ ก, ก็เพราะความอยากของพวกเรานี่อยากขายครีมดีๆมันก็ทำให้ใจไม่สงบนะอยากให้พ่อหายก็ใจก็ไม่สงบนะอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่สงบแต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆ ต, ต่อให้เราอยากได้มา ได้มาเดี๋ยวเดียวเดียวมันก็เปลี่ยนไปแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมันอนิจจังมันไม่เที่ยมก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวมีความสุขเดี๋ยวเดียวซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็มีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเห็นกระเป๋าใบใหม่ก็อยากจะได้ขึ้นใหม่แล้วกระเป๋าใบเก่าก็ไม่มีความหมายอะไร มันต้องเห็นความเห็นว่าการทำตามความอยากนี่มันนำไปสู่ความทุกข์ไม่นําไปสู่ความความสงบสู่ความสุขนำไปสู่ความวุ่นวายใจถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะหายมากี่ปีแล้วะ เพิ orean, or late, less, then, uh, uh, ่งทเพิ่งทอครับเมื่อก่อนที่ทาอะไรอยู่ก่อนขายแบตเตอรี่รดครับอ๋อขายไม่ดีเลยมเป็นขายเกมใช่คถ้าขายไม่ดีไปขายอะไรต่อเนี่ยขายไม่ดีก็บวชเลยเขาน่าขายไม่ดีบดวบวชแล้วสบายกว่า เหมือนเราไม่ต้องขายอะไรเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วมาหาสติกันดีกว่าสตินี่เป็นเหมือนเงินทองยิ่งหาได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นอยากจะทำอะไรไหม มีข้อท่นไหนอะไรหรอเปล่าาจารย์เมื่อก่อนส่วนมนต์ไม่นั่งสมาธิค่ะตอนนี้เริ่มนั่งนั่งแล้วก็ทำภาวนาหายรับพักรวมหายใจหายเอาแล้วภาพมาพอภาพมาก็รู้เห็นเห็นเสร็จการเห็นอสุภะเร็วเลยค่ะเห็นคูุ้กเห็นอันนี้ปับ๊บแล้วก็ พอเห็นปุกจิตมันมาถึงนี่เลยอะค่ะมีจิตบินจากบ้านมานึงจิตมาถึงนี่เห็นคนนั่งอยู่ต้นไม้แล้วเห็นกระดูกนั่งที่ต้นไม้แล้วก็เดาค่ะคจริงเวลานั่งสมาธิไม่ควรจะเห็นอะไรนะนั่นสิคะพอเห็นนมตัวเห็นนา ไ, ไ, ไม่ควรไม่ควรไปสนใจควรจะกลับมาเห็นนมอย่างเดียวดีกว่ า, าสาธุนะขายดีขายดีนะะ ถ้าใช้นมหายใจก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอะไรที่มาให้เห็นหรือถ้าใช้พุโทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอะไรจะมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจเราเสียสมาธิล้ะสมาธิจะเกิดก็ต่อเมื่อเราอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวเกาะติดไปเรื่อย เนนั่งรถเนี่ยเราจะนั่งรถไปบ้านเนี่ยเราต้องอยู่ในรถแล้วขับรถไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปกลางทางจอดเห็นเขาขายขนมก็จอดแว ล, ลงไปซื้อขนมกินขนมมันก็ไปไม่ถึงบ้านาทันทีเราจะขับรถให้ไปถึงบ้านก็ต้องนั่งอยู่ในรถแล้วขับไปเรื่อยๆอย่าลงจากรถอย่าหยุดรถรถของเราก็คือพุทธโธเนี่ยของเราก็คือลมหายใจยให้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไป แล้วเดี๋ยวมันก็พาเราไปถึงบ้านบ้านของเราก็คือความสงบความว่างความสงบสัตย์แ่ารู้ถึงตัวรู้ถึงผู้รู้นั่นคือบ้านของเราที่ที่เราจะไปกันนี้ที่เรานั่งสมาธิกันนี้เราต้องการเห็นอย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้ที่มีอย่างอื่นมาให้รู้ให้เห็นก็อยากไปสนใจเหมือนเราขับรถไปกลางทางมีลิเกเราก็ไม่ต้องจอดแวะดู มีหนังก็ไม่ต้องจอดแวะดูไงนะขับรถไปเรื่อยๆกลับไปให้มันถึงบ้านถ้าลงไปดูลิเกรตรงไปดูหนังมันก็ไปไม่ถึงบ้านเนี่ยคนที่นั่งสมาธิแล้วใจไม่รู้ไม่ไม่สงบก็เพราะอย่างเนี้แนั่งเดียวๆแล้วก็เสืออย่างอื่นมีอย่างอื่นมาก็ไปกับมันละแทนที่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไม่อยู่ละไปกับภาพที่มาให้เห็นตามรู้ อย่างมีเรื่องที่มีเนรนั่งดูนั่งสมาธิแล้วมีดวงแก้วแสงสว่างมาให้เห็นก็ตามไปเลยมาลืมตายที่ตัวเองไปอยู่บนต้นไม้นึ่น <c oughs> มันมนไปได้ยังไงอา้าวนี่แหละมันไม่มีสติแล้วรู้ป่ะแสดงว่าไม่มีสติภาษาอังกเขาเรียก walk. <c oughs> s ลิปวอล์เดินในเดินในหลับ คือนั่งสมาธิยังไม่ให้พิจารณาเนั่งสมาธินี้ต้องการให้จิตรวมเป็นหนึ่งต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์เดียวพิจารณานี้เราให้ได้สมาธิก่อนแล้วออกมาจากสมาธิออกมาจากมาสมาธิแล้วทีนี้มาพิจารณาร่างกายได้แนละ้วพิจารณาร่างกายว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้มีอะไรบ้างมีอาการสามสิบสอง ทังร่างกายไม่มีอะ mm. ไรมัน ม, มีแค่สาสบสอาการนี้แต่เราไปเห็นมีอะไรอยู่ในร่างกายกันเห็นนายกก็อยู่ในร่างกายนี้เห็นพระเจ้าแผ่นดินก็อยู่ในร่างกายนี้เห็นนางงามจักรวาลก็อยู่ในร่างกายนี้มันไม่มีหรอกนางงามจักรวาลหรืนายกหรือพระเจ้าแผ่นดินร่างกายนี้มันมีแต่อาการสาสบสองมีแต่ผมขนและฟันแต่เราเอา เราป้ายไปติดไว้ทั้นเองไปติดน่านี่เป็นนายกร่างกายนี้เป็นนายกร่างกายนี้เป็นพ่อเจ้าแผ่นดินเราดูความจริงของร่างกายเราอย่าไปดูป้ายที่ติดอยู่กับร่างกายเราไปหลงติดกับป้ายเราไปหลงป้ายไม่ได้ถ้าเราเห็นความจริงเราจะไม่หลงป้ายมันก็เป็นเพียงแปะไว้ร่างกายนี้เป็นพ่อร่างกายนี้เป็นแม่ คามจีมันไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่หรอกตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวพระเจ้าแผ่นดินตัวนางนามจักรวาลก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายตัวร่างกายมันก็เป็นเพียงแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันหมดทุกคนพิจารณาให้เห็นชัดว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามมันไม่ได้เป็นของใครแล้วเป็นของ ของเป็นถ้าเป็นก็เป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนไปสู่เจ้าของเดิมเจ้าของเดิมก็คือสิ่งที่สร้างมันขึ้นมาใครสร้างมันขึ้นมาก็ดินน้ำลมไฟนี่แหละถ้าไม่มีดินน้ำลมไฟมันจะมีอาการสามสิบสองนี้ได้อย่างไรแล้วเวลามันตายไปมันก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหน เรื่องของทั้งร่างกายนี้มันก็มีแค่เนี้ยมีแค่อาการสามสิบสองมีแค่ดิน น, น้ำลมไฟมีแค่แก่เกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามคนที่มาครอบครองร่างนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพอ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่ลูกไม่ได้ตายไปกับร่างกายของลูก <és un S 2> พอลูกลูกลูกตัวที่อยู่ตัวที่ เราตัวที่ลูกหรือพ่ออยู่นี่มันไม่ตายมันไม่มีวันตายคือใ จ, จนี่มันไม่มีวันตายแต่มันมีความต้องการร่างกายพอร่างกายเก่าเสียไปมันก็ไปหาร่างกายใหม่เหมือนคนที่ต้องใช้รถพอรถเก่าเสียก็ต้องไปซื้อรถใหม่แต่คนที่ไม่ต้องใช้รถเขาก็ไม่ต้องซื้อรถใหม่รถเก่าเสียเขาก็เขาก็ทิ้งเขาก็หยุดเนี่ยเขาก็ เป็นคนที่ไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องไปทํางานอยู่บ้านไม่มีธุระพระอะไรต้องออกไปนอกบ้านมีรถไว้ก็เกะกะพอประมมีรถก็ไม่ได้ใช้จอดทิ้งไว้ก็เป็นทาระดเดี๋ยวก็ต้องเอาไปขับไปวิ่งให้มันไงั้นจอดไว้เฉยๆเดียวมันก็เสียคนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเขาก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่ คนที่ไม่ใช้ร่างกายก็คือคนที่มีความสุขใจเท่านั้นแหละเนี่ยที่ทําให้ท่านมีความสุขใจแล้วมันก็พอมันไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหามาถ้ายังไม่มีความสุขใจมันก็ต้องใช้ร่างกายไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย แต่ความสุขเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นความสุขที่ทําให้ใจพอได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่พอมีแต่อยากจะได้มากขึ้นพอร่างกายอันนี้หมดหมดสภาพไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่ไปเริ่มต้นใหม่ไปหัดเรียนหัดหัดเดินหัดกินหัดวิ่งหัดเล่นหัดเขียนหัดอ่านหัดพูดใหม่แล้วก็มา เรียนหนังสือหาวิธีศึกษาวิธีหาเงินหาทองมันหม่แล้วก็หากันไปแล้วเดี๋ยวร่างกายก็แก่เจ็บตายก็กต้องไปหาใหม่ถให้พิจารณาอย่างนี้ว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงเครื่องมือของใจไม่ใช่ตัวใจเป็นตัวตัวรับใช้ใจเป็นบ่าวของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองตัญหาความอยากของใจถ้าใจไม่มีตัญหาใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนกับคนที่ไม่อยากจะออกนอกบ้านก็ไม่ต้องใช้รถแต่จะออกไม่ออกนอกบ้านก็ต้องมีของในบ้านครบบริบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้าน ที่เราต้องออกไปนอกบ้านเพราะว่าในบ้านเราไม่มีสิ่งที่เราต้องการใจของเราที่ต้องออกไปหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเขเพราะว่าใจไม่มีสิ่งที่ใจต้องการอยู่ในใจคือไม่มีความสุขใจแต่พอมีความสุขใจแล้วมันก็ไม่รู้จะไปมันก็ไม่อยากจะได้ ที่ให้มาทำนี่ก็ทำให้มาทาให้ใจสุขใจสุขแล้วมันก็จะทำให้ใจอิ่มแต่เวลาใจหิวก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำแบบเดิมให้ฝืนความอยากถ้าฝืนได้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากต่อไปถ้าฝืนไม่ได้ก็ยังต้องไปทำตามความอยาก พราความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะอยู่ได้ชั่วคราวถ้าไม่รักษามันด้วยปัญญาหรือ ด, ด้วยสติถ้ารักษาสติก็รักษาต้องรักษาไปแบบตลอดเวลาต้องพุโทโธไปตลอดเวลาถ้าไม่พุโทโธเมื่อไรเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาแต่ถ้ารักษาด้วยปัญญานี่มันจะไม่โผล่ ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากเราเห็นโทษของความอยากแล้วปัญญาก็จะกลัวความอยากเหมือนกับกลัวยาพิษนี้เรารู้ว่ามันเป็นพิษหรารูว่ามันเป็นศัตรูต่อไปก็ไม่คบค้าสมาคมกับมันมันจะชวนเราไปไหนเราก็จะไม่ไปว่ามันจะชวนเราไปสู่ความทุกข์มันไม่ได้ชวนเราไปสู่ความสุข ถ้าเรารู้แบบนี้ต่อไปความอยากก็จะมาหลอกเราไม่ได้มาชวนเราไปไม่ได้แล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากมามาชวนเราเราก็อยู่แบบสบายไปตลอดเพราะไม่มีความอยากใจก็อิ่มใจก็พอเวลาใจสงบ ใ, ใจสงบนีความสุกก็เพราะความอยากมันหยุดทำงานชั่วคราวในเวลาเราพูโทโพูโทโธนี้เรากั้นไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นพอใจมันพอความอยากมันหยุดปับใจก็สงบเย็นสบายชั่วคราวแล้วความอยากมันก็ดันใจให้ออกมาให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องใช้สติหรือปัญญา ถ้าใช้สติก็ต้องดันมันอยู่เรื่อยๆถ้าใช้ปัญญาก็จะพอเข้าพอจิตเข้าใจถึงโทษของการทําตามความอยากแล้วมันก็จะหยุดทําไปถ้ามันเห็นโทษของความอยากแต่ถ้ามันยังเห็นคุณอยู่มันก็ยังหยุดไม่ได้ถ้าเห็นว่าเออถ้าทําตามความอยากแล้วมีความสุขมันก็ยังจะหยุดไม่ได้ถ้ามันเห็นว่าถ้าทําตามความอยากแล้วมีความทุกข์ มันก็จะไม่ทําเหมือนคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเรากล้าเสพยาเสพติดไหมว่าเราเห็นโทษถ้าเราไปทําตามความอยากเสพยานี่เดี๋ยวก็เจอของดีหรือไปเที่ยวสามสอนเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็หยุดเที่ยวกันเนยอะเหมือนกันกลัวกลัวเอชีกั น, เ, นเพราะว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวติดเชื้อมาก็มีแต่จะตายอย่างเดียว คนก็ไม่กล้ากันถ้าเห็นว่าทําอะไรแล้วตายเนี่ยมีใครอยากจะทำํำนะอันนี้ก็เหมือนกันไปสูบบุหรี่ไปที่สูบบุหรี่ขึ้นมานี่เดี๋ยวก็ติดบุหรี่ไปดื่มโซลาเหล๋ยวมันก็ติดสุลาถ้าเห็นโทษก็ยังไม่กล้าไปดื่มไม่กล้าไปสูบแต่ของอย่างอื่นก็ไม่เห็นโทษอย่างไปเที่ยวนี่ยังไม่เห็นโทษอยากเที่ยวกัน ไปดูไปฟังพวกมหัศลศพบรรเทิงต่างๆนีย่ยังไม่เห็นโทษเดินไปมีแฟนมีสามีไปมีภรรยา น, นี่ก็ยังไม่เห็นโทษยังยังฝืนยังฝืนทากันอยู่ทาแล้วก็มาเห็นโทษทีหลัง ก, ก็สายไปเสียแล้ว <laughs> มันเป็นแบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะจะเกินมันก็ไม่สุจกจะคายมันก็คายไม่ได้คายก็ทุกเ ก, ก, กินก็ทุกอยู่ด้วยกันก็ทุกจะอยากกันก็ทุกก็เลยไม่รู้อยากทำอะไรก็อยู่แบบอยู่แบบงั้นเนกะินอยู่แบบเกินไม่เข้าคายไม่ออกเป็นกว่ญญาจะตายจากกันไปนอกจากมีปัญญาว่าตันได้ แยกทางก็แยกกันไปแต่ทุกกให้มันทุกแค่เดี๋ยวเดียวเหมือนกับผ่าตัดผ่าเวลาผ่าตัดมันก็ต้องเจ็บพอเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายหรือถอนฟันเนี่ยถ้าไม่ถอนมันก็ปวดอยู่ยอมถอนมันถอนแป๊บเดี๋ยวมันก็หายแล้วตอนถอนก็ปวเดเจ็บหน่อยแต่พอถอนเสร็จแล้วทีนี้ไม่กี่วันแท้หายแล้วก็สบาย เั้นมันควรจะเห็นโทษก่อนที่จะไปติดถ้าติดแล้วมันแก้ยากกว่าแต่ตอนที่ยังไม่ติดหยุดความอยากตอนที่ยังไม่ติดมันมันง่ายกว่าไปหยุดความอยากตอนที่มันติดแล้วแต่บางทีมันไม่รู้มันเหมือนไฟถ้าไม่ไปจับมันมันไม่รู้ว่ามันร้อนไม่รู้่มันร้อนยังไงจึงสอนเด็กยาก ตอนเด็กห้ามันว่าไอ้ น, นี่เป็นโทษมันก็ไม่เชื่อเรอมันต้องไปมันต้องไปสัมผัสต้องไปไปเจอความทุกข์ซะก่อนถึงจะรู้แต่บางทีมันก็สายไปเสียแล้วแก้ไม่ได้แก้ยากแยากได้แต่มันทุกข์กว่าตอนที่เอฝืนใจครั้งแรกฝืนครั้งแรกมันง่ายกว่าม า, มาฝืน เนี่ยคือต้องใช้ปัญญาเวลาใจเราเกิดความอยากให้เห็นว่ามันพาเราไปสู่ความทุกข์มันอาจจะมีความสุขบางหน้าอยู่แต่ข้างหลังความสุขนี้มีความทุกข์รออยู่แน่นอนทุกพ่อมันไม่เที่ยงทุกพ่ว่ามันเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนไปเวลาอยากจะแต่งงานกันนี้ดีกันปหมดใช่ พอแต่งแล้วมันนี้เรื่องอะไรนะเป็นอีกคนนึงไปเลยนี่เปลี่ยนไปกขาเลยอา น, นิจังเปลี่ยนไปงน้นตาเระห้ามไม่ได้สั่งให้เขากลับมันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่ยังไม่แต่งใช่ไหมถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะจ ะ, จะได้ไม่ไปพยายามพิจารณาให้เห็นอย่างนี้อนิจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สุขไปตลอด อา้าตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เวลามันเปลี่ยนไปจะสั่งให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้ก็ต้องทุกเท่านั้นเพราะใจเราอยากให้มันเหมือนเดิมถ้าอยากไม่อยากจะทุกก็ต้องอย่าไปอยากให้มันเหมือนเดิมเอาตามมีตามเกิดอะ้อย่างนี้ก็ไปได้อยากจะทำอะไรก็ทาได้ทาแล้ว พอมันมันเปลี่ยนไปก็ต้องอยู่กับมันไปยอมรับกับมันไปแต่มันเปลี่ยนมันมันรับไม่ได้สิาะอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวไม่อยากจะให้มันทุกข์ถึงไปถึงไปหาสิ่งต่างๆมาทีนี้ก็ต้องเห็นว่ามันต้องเปลี่ยนไปจากสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ไปถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ทาตามความอยาก แล้วต่อไปความอยากก็จะหมดฤทธิ์ไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกาลังไปเรื่อยๆแน่ในที่สุดมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายพอไม่มีความสุขไม่มีความอยากแล้วก็เหมือนกับไม่มีพิษไม่มีเชื้อโรคภายในร่างกายที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพรา ะ, ราะมันมีเชื้อโรค พอเรากำจัดเชื่อโลกได้ร่างกายก็จะหายป่วยใจของเราถ้าไม่มีความอยากใจของเราก็จะหายทุกใจก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจนี่ก็คือขั้นตอนของการหาความสุขขั้นตอนแรกก็หาด้วยสติก่อน เมันง่ายกว่าการหาด้วยปัญญาแต่พุโทโธพุโทโธควบคุมใจไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆมันก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าใช้ปัญญานี้ต้องเป็นคนระดับปัญญาจริงๆต้องรู้จักใช้ปัญญาคนต้องเห็นตายรักจริงๆถึงจะสามารถหยุดความอยากได้นี่ท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิ เช่นถ้าลองอยากจะใช้ปัญญาหรือสมาธิก็ลองนั่งเฉยๆหาเก้าอี้ตัวหนึ่งนั่งแล้วบอไม่ต้องไปไหนแล้วแล้วเวลามันอยากใช้ตายรักสู้กับมันดูถามว่ามันอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรทําแล้วได้อะไรถ้ารู้จักใช้ปัญญามันก็สู้กับมันได้ไม่ต้องใช้สติก็ได้แต่ต้องแค่นั่งเฉยๆให้อยู่กับที่ไม่ขยับขยีนไม่ให้ลูกไปทํานู่นมานี่ ไม่ทำตามความอยากพูดง่ายๆถ้าเมื่อยก็ยืนถ้ายืนแล้วมื่อยก็นั่งไปนั่งมังไปสักหกเจ็ดชั่วโมงเลยซั้ความอยากถ้าหิวน้ำก็เอาน้ามาตั้งไว้ยังใกล้ๆตัวถ้าปวดฉี่ก็ก็โถนมาตั้งไว้ก็ได้ต้องลองใช้ปัญญาห้ามห้ามความอยากหนึ่งไม่ต้องใช้สติก็ได้ หรือจะใช้สติช่วยก็ได้เวลาอยากก็พูดโทพูดโทไปก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ถ้าเราปล่อยให้ความอยากนันดันไปเราก็จะไม่เห็นโทษของความอยากแต่ถ้าเราขีดเส้นไว้ว่าไม่ให้มันออกจากรงนี้เราจะเห็นความอยากเวลาเกิดความอยากนี้มันจะเห็นใจใจของเราเนี่เต้นเต้น เราจะได้เห็นเนี่ยตัวนี้ตัวที่ทําให้เราอยู่ไม่เป็นสุขทําไมอยู่ไม่ได้เก้าอี้มันก็แสนจะสบายน้ําก็มีดื่มก็จะเอาอะไรอีกอยู่ไม่ได้ก็เพราะใจมันมันดิ้นลองลองหาวิธีสู้กับมันหาสติหาปัญญาสู้กับมันอยูาให้มันหยุดดิ้นให้ได้เพราะว่าหยุดดิ้นถ้ามันเบาเมันโล่งมันสบายเราจะเห็น เห็นสัตว์จะทำความจริงมาอ้อเนี่ยความทุกข์นี่เกิดจากความอยากการดับความทุกข์ก็เน้ต้องดับด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศีลศีลก็คือเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องทําอะไรใจก็ไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยศีลสมาธิปัญญามันก็มีแค่เนี้ยศีลก็คือความสงบการสงบวาจาสมาธิก็คือการสงบใจ ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็จะหยุดความอยากได้หยุความอยากแล้วใจก็จะอยู่เฉยๆได้สบาย้สรุปแล้วก็คือหยุดตัวนี้ตัวเดียวยที่มาประนั่งสมาธิไม่มารักษาศีลไม้มาทำบุญนี่เป็นเครื่องมือทั้งนั้นนหะไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นเพียงแต่เราต้องใช้ ทานใช้ศีลใช้ภาวนานี้มาเป็นเครื่องมือมาหยุดความอยากเป้าหมายของเราคือความอยากเหมือนยาต่างๆที่เรากินเนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่ไปทําลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายเราถ้ามียาแล้วไม่กินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าทําทาน มาทําทานทําบุญไม่แต่ไม่ได้มาทําเพื่อหยุดกวามอยากมาทําเพื่อเสริมความอยากก็ทําไปก็เสียเวลาเปล่าๆอย่างมาทําบุญวันนี้อยากจะขายขายครีมให้ดีอย่างนี้มันก็เสียเวลาเปล่าๆความทุกข์มันก็ไม่หายไปอาจจะทุกข์มากขึ้นแล้วทําบุญแล้วไม่ได้รูปนี้ไม่ทําดีกว่า <laughs> ต้องบอกใครมาทำบุญมาขอโน่นขอนี่ต้องบอกว่าไม่ได้แน่ๆเดี๋ยวด้ไม่ผิดหวังถ้าไม่ทำก็ไม่ว่าเลยเดี๋ยวจะมาโทษเราหาว่าเราไม่ไม่ขังหลวงพ่อองนี้ไม่ขังเลยเนี่ยทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นเครื่องมือเหมือนกับเวลายางแตกรถยางแตกเราจะเปลี่ยนยางนีถ้าไม่มีเครื่องมือก็เปลี่ยนไม่ได้ ต้องมีแม่แรง ม, มีที่ขันน็อตจะได้ถอนถอดยางเก่าออกแล้วเอายางใหม่ใส่เข้าไปถ้ามีมือเปล่ า, ล า, ลามันทําไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาเราจะไปหยุดความอยากมันหยุดไม่ได้เราก็ต้องหยุดด้วยฐานถ้ามันออกช่องช่องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้ฐานอหยุดมันเช่นยามเงินไปซื้อของตามความอยากนี้ก็เอาเงินไปทําบุญแทนนี่นคือวิธี ทานมีหน้าที่อย่างนี้ทานเพื่ออุดช่องออกของความอยากมันจะออกทางใช้เงินก็เอาเงินนี้ไปให้คนอื่นถ้ามันจะได้ไม่มีเงินใช้มันจะได้ไม่มีทางออกมันอยากออกทางกายทางการกระทาทางกายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก็ใช้ศีลปิดเหน่อยอยากจะไปพูดผลดโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ศีลปิดเหน่อยเป็นเครื่องมือกัน ดักปิดปิดช่องของความอยากไม่ใช่เป็นเปิดช่องบางคนทิดว่าทำบุญรักษาศีลแล้วจะจะิญ จ, จะได้ลาบยศสารเสริมมากขึ้นไม่ใช่มันทำเพื่อหยุดความอยากต่างๆ้าถ้ามันออกมาทางความคิดก็ใช้ภาวนาหยุดใช้สติหยุดคิดนูนคิดนี่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้ใจก็วุ่นวาย พอใช้สติหยุดมันได้ใจก็เย็นสบายแล้วถ้าอยากจะให้มันตายอย่างท้าววนก็ต้องใช้ปัญญาสอนถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลามีความอยากก็ไม่มีความอยากถ้ายังไม่มีความสงบมันจะไม่เห็นมันจะมันจะเห็นคุณของความความอยากมากกว่าของโทษเพราะเวลาอยากมันเครียด แล้วพอทำตามความอยากแล้วมันหายเครียดแต่มันไม่เห็นตอนที่มันความหายเครียดแล้วเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความเครียดใหม่ขึ้นมามันไม่มันไม่เห็นว่ามันเกิดจากความอยากแต่ถ้าเวลาใจสงบแล้วมันจะเห็นเพรเวลาใจสงบความอยากหายไปนีใจมีความสุบแล้วพอพอพอใจอยากเกิดความอยากขึ้นมาก็ความสุบนี้หายไปความเครียดขึ้นมาความีย เราจะเห็นก็าตอนนั้นเราเข้าไปถึงใจแล้วเวลาใจรวมสู่ความสงบนี้เราเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในเราอยู่แต่ข้างนอกเราเห็นแต่สิ่งต่างๆเวลาเราเครียดเรากลับไม่เห็นว่ามันเครียดข้างไหนเรากลับไปเห็นว่ามันเครียดข้างนอกเครียดกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ควาจริงมันเครียดจากความอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นแต่ถ้ามันมีความสงบแล้วมันเข้าข้างในแล้วทีนี้มันจะเห็นล แ ห, ห็ว่าอ๋อเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราถึงเครียดขึน้นมาแล้วก็หยุดตัวนี้เราไม่ต้องไปหยุดเขาเหรอกเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนนะมันจะเห็นอย่าง น, นี้เพราะมีสติเนะี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีสติใจเราจะถูกสั่งให้หานออกไปดูข้างนอกไปแก้ปัญหาข้างนอกใครทําอะไรไม่ดีก็ต้องไปแก้ที่เขา แก้ไม่ได้ก็บางทีต้องถึงกับฆ่าเขาเลยจะได้หมดปัญหาไปมันก็ไม่ได้หรอกแก้คนฆ่าคนนี้เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแทนที่เขาอยู่ดีต้องมาแก้ที่ใจพระเจ้าบอกถึงบอกว่าเนี่ยต้องชนะตนอย่าไปนชนะผู้อื่นชนะผู้อื่นกี่คนมันก็มีมีมาไม่หมดมีมาให้แก้อยู่เรื่อยเห็นคนนี้เดี๋ยวคนมาแนละ้วมันก็ปัญหาเดิม ดาราฮอลลีวูดนี่ก็เปลี่ยนสามีภรรยายกันไม่รู้กี่คนแล้วคิดว่าคนนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนคนใหม่มะเปลี่ยนคนใหม่มามันก็ไม่ดีเหมือนคนก่อนมันก็เปลี่ยนอย่างน้แต่ถ้าเปลี่ยนที่ใจหยุดความอยากมัน้งหมดเลยหยุดความอยากให้คนเขาดีกันเรารักเราชอบเราให้ความสุขกับเราพราะเรารู้ความจริงเขาเปลี่ยนไปไม่ได้คนมันก็อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวชื่ว เวลาก็อยากจะดีเขาก็ดีขึ้นมาเวลาเ็าอยากจะช่วยก็ช่วยขึ้นมาเราจะไปให้เขาดีตลอดเวลาได้ไหมพอเราเข้าใจหลักนี้เราก็หยุดหวังความอยากให้เขาดีกับเราตลอดเราก็คอยดูวันนี้มันจะชั่วเมื่อไหร่จะเตรียมตัวรับกมันได้วันนี้มันจะออกฤทธิ์ยังไงเตรียมตัวรับกมันได้พราเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาแล้ว ถ้าเราหวังแล้วเดี๋ยวก็ผิดหวังเวลาเขาไม่ได้ทําทําตามทีท่เราหวังทําตามที่เราอยากเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมีไว้เพื่อหยุดความอยาก น, นี่ใช่ขอให้เอาไปใช้นะไม่ใช่เอาไปทําเอาไปทําอย่างอื่นทําทบุญแล้วก็จะไปหวังร่ำหวังรวยนีย่ผิดละทําบุญก็เพื่อที่จะตัดตัดช่องการใช้เงินซื้อของต่างๆตามความอยาก ที่เอานงินวันนี้เงินวันนี้มาทําบุญเนี่ยก็ไม่สามารถไปซื้อของตามความอยากได้ถ้ายังอยู่ในกระแป๋เดียก็มันก็อาจจะอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ขึ้นมาได้ <c oughs> สิ่ก็เนี่ยเวลาโกรธใครก็อย่าไปท้าเขาอย่าไปด่าอย่าไปทุบตีเขาผิดสิ่ง <c oughs> เวลาอยากจะได้แล้วก็อย่าไปโกหกหลอกลวงครับอย่าไ ป, ปเพิ่งผิดตัเองนี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องมืออ ป้องกันความอยากทําลายความอยากไม่ได้แต่อย่างนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นตัดสะพานตัดทางเดินของความอยากเพื่อที่เราจะได้มาภาวนาได้พอมันอยู่ข้างในใจเราก็จะได้เข้าไปหยุดมันเองถ้ามันออกมาข้างนอกก็ต้องไปตามดึงเหมือนกลับมาก่อนถ้ามันไปเที่ยวงี้ก็ต้องไปดึงเหมือนกลับมามันไปเที่ยวกว่จะดึงมือนกลับมาอยู่วันได้ก็เหนื่อยใช่ไหมถ้าไม่มีเงินนั่นไปเที่ยวมันก็ไม่ต้องไป มันก็จะเขวัดได้ง่ายกว่า <c oughs> <c oughs> ถ้ามันไปทำติดคนมาเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางกว่าจะไปดึงมันกับเข้าวัดได้ก็ต้องรอให้พ้นโทษกันทั้งหมดก็ดึงให้มันเข้ามาเพื่อเราจะได้ใช้สติหยุดมันให้มันจิตสงบแล้วก็ใช้ปัญญาฆ่ามันมันก็จบ อะไก็ถามได้ไหมอจาระเรานั่งสมาธิอ่างใช้อาการ32ค่ะท่องไส้สุบะเราไล่อะไรวะเสร็จแล้วไม่ได้มีภาพคนที่เรารูจักอย่าไปสนใจเป็นครงูก้เราเห็นอว่าอันนี้คือมัส่ิดางนอกไปแล้วมันไม่มันไม่อยู่กับอาการ32ต้องขุดอย่าไปสนใจโงกระดูกโครกระดูเลย คือถ้าเราใช้ปัญญาได้อยู่แต่ถ้าเราใช้สมาธิต้องการให้จิตสงบเราเรยียบไปแต่ถ้าเราจะใช้ปัญญานี้ไปได้หมดเลยที่ไหนมีอสุภะที่ไหนมีอาการสามีสองอยู่กับใครที่ไหนไปได้หมดเลยเรื่องของปัญญานี้ต้องการรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องของสมาธิต้องการให้รวมเป็นหนึ่งถ้าไปตะไปคิดเรื่องนู้นเรื่อง น, น, นี้มันไม่รวมมันต้องคิดอยู่กับเรื่องเดียว ตอนต้นที้มันต้องใช้อาการ32ก็เพราะว่าอยู่เรื่องเดียวไม่ยอมอยู่ก็ใช้32ก่อนพอมันเหนื่อยก็กลับมาอยู่เรื่องเดียวกลับมาอยู่ที่ลมการ32นี้เป็นเหมือนการตะล่อมจิตให้มันเข้ามามันชอบไปทุกนอกมันชอบไปไกลๆก็ใช้ให้มันไปที่อาการ32แทนพอมันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากจะไปแล้วแล้วก็เดินกลับมาที่อาการเดียวก็ไอ้จะเพ่งดูโค้งก็ดูก็ได้ หรือจะใช้พุโทโธก็ได้หรือจะใช้นมหายใจก็ได้เพื่อมันจะได้รวมเป็นหนึ่งต่อไปการใช้การ32นี่เป็นเพียงแต่มันมันมันอยากจะไปหาเรื่องนู้นเรื่องนี้กันมันจหาอาการ32แทนฉนั้ว่าให้เที่ยวกายนครแทนที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวกรุงเทพคิดถึงที่นู้นที่นี่แค่มันคิดถึงอาการ32เพราะอาการ32จะไม่ทำมํำให้มันฟุง้ง เหมือนกับการคิดไปที่ไปกรุงเทพไปเชียงไมลหรือมันมีที่ไปเยอะแยะเลยหมดใช่แล้วเพราะวันแรกพุทโธไม่ได้การสวดมนตก็ลม เ, เดียวใช่บางคนก็ใช้การสวรดมนต์ไปก็ได้ถ้ามันอยู่กับพุทโธไม่ได้ก็วสวดมนต์ไอติปิโสสวดยาวๆสวดไปเยอนมากมันเหนื่อยพอไมนอยากจะสวดก็ก็กลับมาดูลมหายใจได้เพราะมันไม่ไปไหนมันหมดแรง กานั่งใหม่ๆแรงมันเยอะยิ่งทํางานมานี่มันคิดอยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับรถที่วิ่งเลยวอะรถวิ่งเร็วจะแตะเบรกปั๊บให้มันหยุดมันไม่หยุดอลยบางทีถ้าให้มันขับรถขึ้นเขาไปก่อนให้มันหมดแรงก่อนหาเนินขับมันขึ้นไปเบรกเบรกเราไม่มีกําลังที่จะเบรกมันได้ก็ขับรถให้มันวิ่งขึ้นเขาไปก่อนเราขึ้นเขาไปปรเดี๋ยวมันก็หมดแรงหมดแรงทีนี้เราก็ใช้เบรกได้ใช้พุทโธได้ มีีวันวันที่สามอะไปทีเท้าหนูแพงเดินจมกองไม่ได้ก็เลยนั่งบริกรรมอย่างเดียวเดินตาบริกรรมที่โสนันเหมือนจิตฉดวงออแคบแต่แหกครั่อมันต้องถึงขั้นนั้นเนี่ยมันถึงยารวมต้องข้างใเราเืินตาใไม่ได้ได้มันไมมันอยู่ถ้าจิตอยู่ข้างในมันมันไม่สําคัญเดินตาแต่มันก็เดินแต่จิตมันไม่ได้ไปยุ่งกับการดู ต้องสู้กันแบบนั้นเนีะยเหมือนชักกระเยอะกันเนีย่ยดึงเดินกันให้สุ ด, ดมันถึงจะชนะแพ้ชนะกันได้ถ้าเราเดึงไม่สุดสุดนี่ยมันเดืยบมันก็แพ้เราถ้าเราดึงสุดสุดนี่เดี๋ยวมันแพ้เราอีกใครยังจะถามอะไรเมื่อไม่มีจะให้พรนะ มีหนังสือซีดีนะเดี๋ยวก็หยิบไปละยะทาวาเลยวาหาปุราปาเลปุรินติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิอิจิต um ังปฏิตังตุมหังคิดเะเมวะสมิจฉุตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะทามณิโทติ โสยะถาสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะอภิวาทานสีลิษะนิจังุทธาปจายโนยตาโรธรรมวัทฐานติอายุวโนสุขังภาลาง เวลาทาบุญ bola? เรียก็ทํา ท, ทานคือบุญนี้มันมีหลายแบบถ้าทํากแบบหนึ่งแบบนี้เรียกว่าทานถ้าให้ข้าวของเงินทองนี่เรียกว่าทานถ้ารักษาศีลก็เป็นบุญเหมือนกันแต่เรียกว่าศีลบุญนี้มี10ชนิดเลยอาจจะการทาทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็เป็นบุญอย่างหน<ร>ึ่งการนั่งสมาธิก็เป็นบุญอย่างหนึ่งมีอะไรบุญบ้างเวลาทำทานนะเจ้าค่ะ ทำทานต้องแบ่งประเภทไปเฉพาะรายทีไหนอย่างเช่นโมอ่านนังสือของหลวงพ่อท่านพูดถึงถ้เรานั่งสมาธิจะอดพิให้คนอื่นไม่ได้จชไม่ชอบทานถ้าทาถ้าเป็นทานในอื่ได้ก็เลยเคยต้องเป็นวัตถุทานถ้าอย่างนี้อยู่ไหนได้ไข่ปลาหอยเข่าของอะไรนี้ก็อดพิษได้ ว่ท like like like anyway, like, ําทานแบบนี like, yeah. yeah. ้แล้วทานอย่างอื่นไม่ค่อยได้ทําได้ไมเจ้าค่ะเช่นบัตใส่บาก็เหมือนการแล้วทานเด็ก็เหมือนกับเรียนหนังสืออยู่แค่ชั้นอนุบาลก็จะไม่ไม่ไม่พัฒนาขึ้นอ๋อไม่ยอมไม่แต่ว่าศีลสมาธิทําอยู่แล้วแต่ทำทานเนี่ยทําแต่หวยเงินทองอย่างนดียวได้เจ้าค่ะได้ก็เหมือนกันนะเพราะในนั้นทานหรือผลก็ถ้าเกิดไปเป็นเปร็ด ไม่หลีจะทะรับประทานถ้าไม่ได้ทําทานจะมีการทำแนี้ก็เหมือนกันการทนเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเปรตคนที่ทําทานใจจะไม่ไม่หิวโหยใจจะมีอุ่มเอิบใจก็ไม่ได้เป็นเปรตจะเป็นเทพแทนซึ่งไม่จําเป็นต้องแยกประเภททานใช่ไหมให้ให้เราเสียสละทรับยสมบัติเจ้าของเงินทองสิ่นของไม่จำเป็นเงินทองก็ได้เสื้อผ้าก็นด้ ของอะไรก็ได้ที่ให้คนหนึ่งแลาวเขามีความสุขจากการให้เราเพว่าจะมีอินเตัไว้ใจแกับระทรวงาก็เลยไม่ค่อสี่สาตาไม่ค่ที่กาได้หรการไทด้ก็ได้จะได้อะไรเี่ยพ้เขาอยากได้กำลังใจจากหพอ้กอได้ยังได้แล้วกว่าก็เรื่องเก่าพูดอยู่นึง เรื่อเหร่ตัวแต่ที่ตขอเราก็เราทเือนึเดือนที่แล้วค่ะมันทาได้แค่สามอาทิตย์อาทิตย์ที่4มันไปไม่ไก็พักหนอก็ได้ได้ยังไม่บางทีมันก็เป็นพักพักกาลังของเราก็มีอยู่เป็นพักพักได้แค่ไหนก็รู้ได้แค่นี้ก็พักเฉี่ยกันก็ได้เมือนวิ่งวิ่งนานมันก็มเันก็เหนื่อยได้ก็พักก็ แต่พักที่ไม่ไช่ไหมก็ให้ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มนะก็คือว่าให้อยู่แบบสบายสบายไม่ต้องไม่ต้องเล่นความเพียเพียงแต่คอยควบคุมใจให้มีสติพุทโธพุทโธไปอาจจะนั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งกนะ็เดินแบบสบายสบายทำอะไรแบบสบายสบายไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีกําลังก็ค่อยมานั่งลุยกับมันใหม่แต่เเาะก็ยลยรู้ว่ออ ถ้าเราขาดสตินี่มาอยู่กับปัจจุบันนี่มันหยุดความอยากไม่ได้อื ม, มันนี่แต่จะไปถ้าคิดถึงอ น, น, นาคตปุ๊บมันทุกขึ้นมาทันทีเลยท่านเสร็จมันทุกข์เราไม่รีบกินยาพุทโธไปเสร็จพรู้มันทุกข์ก็พุโทโธไปเลยพอรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ปัจจุบนันแล้วเราไปอนาคตเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปเลยไม่รไม่รีบกินยากันอันนี้ก็เลยต้องรีบ ยกขึ้นมาให้เพืได้กำลังใจอย่างหลวงพ่อว่ารักษาสติก็เองค่ะวันนี้มันจะตื่นเต้นมื่อตี้ที่พระอาจารย์บอกว่าให้นั่งใช้ปัญญานั่งบึกท่าใช้สติร่วมก็ได้ใช้ทั้งสองสองขางได้อะไรก็ได้ใช้ทำใช้สติใช้ปัญญาไม่ไปทําอะไรฝืนความอยาก S <S ความอยากจะลุกอยากจะไปเดินทำนู่นทำนี่ไม่ต้องไปทำมันละทำก็ทำเลยลองให้มันอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขไห ม, ไมเป็นสุขก็ลองใช้สติใช้ปัญญาช่วยมันจะได้มีอะไรทำเนี่ยปฏิบัติแับนั่งเฉยๆ <S <S การ จ, จัดการเคลื่อนไหวใจมันไม่ใช้ใช้ที่ร่างกายเป็นเครื่องมือความอยากม่นต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วก็ แล้วก็ล็อกเครื่องมือนี่แม่มันใช้เครื่องมือ น, นี่ณ ป, ปัจจุบันที่พอพุ่งซ่านก็เลยมีทางบ้านจางว่าพอเราสงบแล้ว้าเร า, เราสงบมาถึงเราหยุดแล้วเนี่ยยนก็จะทาอะไรไม่ได้ความอยากก็จะหยุดแ่มันก็จะทำได้แค่ช่วงขนาดนึง เ, เดี๋ยวมันกระดานออกมาใหม่<อ>แล้วก็ต้องดันกลับเข้าไปใหม่เขาจาใช่สติมันก็จะเผลอเอเอติ๊กๆเอาเอาไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วเองขาจะบุกมาหาเราเรื่อยๆเราเราต้องสู้เขาไป เวลาใดที่เราคี้เกียจเราก็จะถูกเข้าลุ่มเราถูกความทุกข์ลุมมล้วถูกความคิดป์ลุมแต่งลุ่มเราถ้าเราขยันพุโทโธพุโทโธเราก็ดนันกลับเาไปไปด้หรือใช้ใช้ใช้ไตร่างใ ช, ใช้ปัญญาพิจารณาก็คิดในความไม่รู้เค่ะเราก็จะไปหาตรงที่เป็นเป็นอันจางกับอนัตตาเลยค่ะท่านผ้อเราอยากได้าเราเป็นพิพากษาอะไรกเอะปาก็ได้อะไรได้แล้วมัน shiny. มันมันอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หมดไป คือคือีไปเที่ยวอังกฤมาตอนไปเที่ยก็รู้สึกเป็นอย่างนี้ว่าบางทีมอนถูกใจเราก็มีความสุขตรงนีไม่ถูกใจเราก็มีความทุกข์ก็รู้ึงทันว่าเโกมัมีสุขสุุกขยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันมีสุขจแี่มันกัสบายกว่าเนี่สุขแท้อยู่ที่ความนิ่งสุขอย่างอื่นมันจะสุขชั่วคราวมันจะสลับกันไปแล้วพะนั้นมันไม่แน่นอนมัาไม่เที่แท้แน่นอน ของที pues e ่ให yeah, ้ความสุขกับเราก็กายเป็นความทุกข์ได้ว่าอย่างไรทุกครัควันนี้มาทุยะที่พัทยาค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยรีบมากราบฟังธรรมของจากท่านอาจารย์เพิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งจบไปเมื่อเช้าโอ้ครัจะได้จะได้มากราบก็ก็เป็นบุญรักษาแล้วจ้าค่ะ พอดีส่วนใหญ่ถ้าจะชวนลูกสาวมาก็ต้องนัดเขาล่วงหน้าแล้วให้เขายกเลิกงานค่ะว่าส่วนใหญ่เช้าๆก็จะต้องเคลียรงานค่ะไม่เป็นไรเพื่อได้มาได้คุยกันสั้นๆก็ได้แต่ใช่ใช่แบบเมื่อกี้ก็ไม่ไหวแล้วจะขาดเข้าใจอาจารย์คุณอาจารย์มีรัฐการพูดมาเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วก็เลยจะขาดแต่ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามถามปัญหาได้ ถ้าว่าจองที่พักไว้แล้วเหรอเดินเดินหน้าเดินไปที่เก้าได้ได้มากราบด้านอาจารย์ไม่ทันปั้มเทพก็ยังดีกว่าไม่ได้มากราบเจ้าคค่ะ่ะจะได้อยากจะทําดีขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจก็จะได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าขาไม่ไม่เถอไปทําสิ่งที่ชั่วเอะไรทำนั้นทําใจกับกับเรื่องนั้นได้ยัง ได้ก็ด <Jub ilee> ีไม่ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเจ้าขาตายไปก็ไปไม่ได้เจ้าขาตายไปก็มีแค่ไปแล้คนเจ้าขค่ะเอาไปได้แต่บุญเอ่เอาความสงบไปดีกว่าเาเอาความสงบเอาสติเอาปัญญาไปดีกว่าอ๋อเอาระยะสัตย์สีไปเจ้าขาถ้ามีระยะสัตย์สีเรา เดี๋ยวก็ไปถึงม่านิพพานเองจะขาดแล้วแล้วคนที่จิตใจดีชาติชาตินี้ก็มักจะติดไปชาติหน้าใจ้าค่ะก็มันคนเดียวกันไงจ้าค่ะจิตใจไม่เสื่อมสลายเหมือนร่างกายเจ้าค่ะจิตใจเป็นยังไงก็จิตใจก็เป็นอย่างนั้นอแต่แต่ผู้ที่ไปเกิดในฐานะดีตระกูลดีเหมือนกันแต่จิตเขาไม่ดีก็ไม่ดีอย่างเนี้ยค่ะก็แปลว่าชาติก่อนเขาก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะ คืแต่ละคนก็มีบุญไม่เท่ากันโอ้เจ้ขาอาจจะได้ได้อ น, นิสงส์บางอย่างแต่ขัดขาดอ น, นิสงส์บางอย่างก็ได้อ้เจะขาเพื่ อ, อยู่ว่าทําอะไระมาแม้แต่จะเกิดในตระกูลที่ดีฐานะดีแต่จิตใจเขาก็ไม่ดีก็ได้ไเป็นลายไม่ดีก็ได้นะจิตใจไม่ดีก็ได้จ้ขาอยู่ที่ตัวอยู่ที่จิตใจเป็นหลักะการไปเกิดนี่มันไม่แน่นอ น, น, นที คนมีบุญ จ, จะไปเกิดในในในตระ ก, กูลคนจนก็ได้จ้า อ, อ, อย่างครูบาอาจารย์ของเราส่วนใหญ่นี่ท่านจะไปเกิดเป็นลูกชาวนาชาวไร่กันจ้แต่จิตใจท่านดีนดีคนบางคนเกิดเป็นลูกเจ้านายแต่จิตใจไม่ดีดดก็มีจมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เกิดเป็นเป็นคนลูกเจ้านายคนใหญ่คนโตนี่จะเป็นอนิสงส์จากการที่มีจิตใจดีก็ไม่ใช่จ้า มันอาจจะเป็นมีเหตุบางอย่างอื่นทําให้ไปเกิดก็ได้นอกจากเหตุบางอย่างที่ตอนที่ใจจะขาดที่อาจจะก็ไม่ทราบคืออาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องคุศลก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์พาไปมันมีหลายปัจจัยด้วยกันแต่ตัวที่จะวัด ความสุขของคนก็อยู่ที่ความดีของใจเน่ยนะคนถ้ามีความดีก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นลูกชาวนาชาวไร่ก็อาจจะมีความสุขกับลูกของนายยกลูกของอะไรก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ใจเลยความสุขของคนเราอยู่ที่ใจมีคุณภาพดีก็จะมีความสุขใจถ้าความสุขถ้าคุณธรบใจคุณภาพไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายใจ แล้วต้องรักษาจิตให้ดีรักษาด้วยด้วยดวยธรรมของพระเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยทาทานรักษาศีลภาวนาไปเราจะทำให้ใจเราดีเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ในสถานภาพใดก็ไม่เป็นปัญหาอลไรเพราะความสุขใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากสถานภาพต่างๆ ค, คือใจอย่าเสียเช่นเราเจ็บป่วยอย่างนี้ก็ ร่างกายเจ็บป่วยแต่ใจไม่ไม่ป่วยไปด้วยถ้าใจเราดีถ้าเรารู้จักรักษาใจใจเราก็ยังมีความสุขทํากลางความทุกข์ของร่างกายท่านเปลี่ยนเหมือนกับก้อนน้ําแข็งอยู่ในกองอยู่กองไฟเนี่ยไฟก็ร้อนแต่น้ําแข็งมันก็เย็นใจที่มีความดีมีความสงบมันจะเย็นร่างกายนี้มันจะร้อนเป็นเพลินเป็นไฟจะเป็นไข้เป็นอะไรใจก็จะเย็นสบายสบายจะขาต้อง พยายามภาวนาไปวันหนวิสติทําใจให้นิ่งอย่างเดียวแลมันจะเย็นร่างกายจะเจ็บปวดยังไงมันก็จะเฉยเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ต้องเป็นด้วยกันทุกคนต้องพบต้องต้องต้องเจอกันทุกคนทำไมนี่เขาจะแก้ด้วยวิธีออกกฎหมายฆ่าให้หมอช่วยฆ่าตัวตายให้กันเพราะรู้ว่าเจ้าร่างกายจะต้องทุกข์เพราะเป็นโรคเมล็ดขั้นสุดท้าย ก็ไม่อยากจะต้องไปเจอกับความทุกนั้นก็ไปเดือดร้อนหมอเองแล้วให้หมอให้หมอฆ่าใช่หมอก็บาปด้วยหมก็บาปไหมบาปไหมครับก็บาปนะใครฆ่าก็บาปดถ้าตัวเองอยากจะฆ่าก็เปืนมายิงจ่อคำบาปเรื่องทัหมดเรื่องนี้ต้องไปยุ่งยากคนอื่นนะถูกไหมต้องให้คนอื่นฆ่าทาไมต้องให้คนอื่นเขาฆ่าเลยออแล้วคนที่คิดว่าอย่างเช่นเขารักษาไม่หายแล้วเขาจ็ปวดทรมานมากคิดว่าให้หมอเข ให้วิธีแบบว่าให้ปล่อยไปอย่างนั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคะเหมือนกับคือฆ่าไม่ฆ่าใจมันก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมใจมันเป็นไฟมันไม่ได้เป็นก้อนไปฆ่าร่างกายใจมันก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมมันก็มันก็มันก็ไปนรกเท่านั้นะเวลาถ้าร่างกายตายไปแล้วใจมันร้อนก็มันก็ไปอาบัยแต่ถ้าใจเย็นมันก็ไปสวรรค์ไปเขาไม่รู้เขาไม่รู้ธรรมชาติของใจเ้าคิดว่าปัญหาอยู่ที่ร่างกาย เมื่อร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายก็ฆ่ามันเสียฆ่ามันแล้วปัญหามันจะหมดมันไม่หมดหรอตัวปัญหาตัวปัญหามันอยู่ที่ใจตัวร่างกายมันไม่ได้เป็นปัญหาไปอาบายท่านอาจารย์เป็นอาบายแล้วกลับมาเกิดใหม่มันก็จะมาแก้ปัญหาแบบเดิมเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หายก็จะฆ่าตัวตายมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอาบายมันจะไม่ได้ไปสุคติ ยังเมื่อสมัยก่อนนี่ค่ะเหมือนกับคนก็ไปกันง่ายๆค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรไม่ไม่มีพิยาการมาช่วยก็ไปง่ายๆแต่สมัยนี้บางทีหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ยังฟังขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยแล้วมาทรมานยื้อไปต่างๆความอยากยังยังยังอยากอยู่ยังไม่อยากตายกันแต่ถ้าเราสั่งไว้ว่าถ้า ช่วยให้ดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องช่วยอย่างนี้ไม่บาปใช่ไหมคะไม่บาปไม่ล่อยไปนี่นะไม่รักษาไม่รักษานี่ไม่ถือว่าเป็นการไม่ได้เป็นการฆ่าใช่ไหค่ะคือปล่อยให้ไปตามธรรมชาติตามธรรมชาติเจค่ะเมื่อมันหมดสภาพมันก็ปล่อยก็ปล่อยไปก็มันไม่สามารถกลับมาดีอย่างเดิมได้แล้วเจะค่ะผมก็ใจแล้วจ้ค่ะคือถ้าปล่อยไปก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เราสามารถทําให้ใจของเราที่ สุขสบายสงบเย็นเหมือนกับตอนที่ไม่ได้เจ็บไายได้ป่วยแนละ้วแม้นในขณะที่เจ็บไายได้ป่วยก็เหมือนไม่ได้เจ็บไาย ไ, ได้ป่วยแล้วแล้ก็ห้ามหมอไม่ต้องมายุ่งอะไรเนี่ย น, นะคะคุณครูบาอาจารย์ท่านมักจะไม่ค่อยอยากจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ท่านใช้ธรรมโอสถเท่านั้นจะรักษาใจจ่ใจท่านเย็นสบายแล้วร่างกายมันก็มันจะหายก็ดีมันไม่หายก็ดีครับ พอยังไงรักษาไงในสุดมันก็ไปอยู่ดีนะจะขาดจะไปชา้าไปเร็วมันก็ไปอยู่ดีก็รักษาตามตามธรรมชาติก็กินยาได้ก็กินกแต่ไม่ต้องแบบขั้นที่ต้องใช้เครื่องหายใ จ, จ<า>เครื่องอะไรต่างๆม า, ามาช่วยอันนี้มันมันผิดธรมดธรมชาติแล้วนอกจากใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะรักษาให้หาได้อันนี้นก็กรณีพิเศษเป็นต้องไปเปลี่ยนหัวใจแล้วต้องใช้ ตอนช่วงผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม่เครื่องเครื่องมือช่วยชั่วคราวนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะมาใช้เป็นเดือนเป็นปีแล้วดูเองไม่ได้ทำไปนอนนอนเป็นเหมือนคนนอนหลับนี้มันก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรนะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติดีกว่าอันนี้เราก็สั่งกันได้ครอบครัวบอกลูกไว้บอกลูกไว้นะลูกบอกลูกเอาไว้อาจารย์เจ้าค่ะนาทีเดี๋ยวที่เขาที่ยอม ผสมกิฟอะไรพวกนั้นเลยใช่ะหมคะแล้วที่ว่าเลือกฟังอันแล้วฟังอันก็ทิ้งไปซึ่งมีชีวิตแล้วอย่างเนี้ยบาปก็บาปเลยก็บาปบาปไหมือนก็เหมือนทําแท้งไงค่ะก็เหมือนหมอที่เป็นคนเลือกที่เอาตัวเอาอันไหนอยู่อันไหนไปก็ก็บาปเลยก็เหมือนกับก็เหมือนกับคนที่ไปเป็นชาวชาวประมงเนี้ยไปจับปลาจับปูว่าฆ่ามาขาย ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนปลาตัวอแ้ง่าาาาาาาคคคุ่่ททออออนนนนนญกกกกก็็บบบได้้้งงงงเขสััจจจะรร สมัยนี้นี่หมอทําได้ทุกย่านนะเก็ทําแบบไปเยอะเลยนะคะที่ทำหมอพวกนี้เขาไม่ได้ศึกษาทำมากกันเขาก็เลยคิดว่าไม่มีเขาคิดว่าไม่มีไม่มีชีวิตอหรือว่าเขาไม่สนใจเรื่องบาปบุญเขาคิดว่ามันเรื่องงมงายเขาเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์เขาดูแต่ดูแต่เรื่องของร่างกายให้เดียวเขาไม่ได้ดูถึงสภาพจิตใจของเขา ท่านอาจารย์คงไม่ไม่ว่านะ้าคะ เ, เพราะว่าหนูเห็นว่าทุกวินาทีที่มีอยู่เวลาที่อยู่พัทยาเจคะถ้าช่วงไหนที่มีก็ต้องขอมากราบท่านอาจารย์แทนะะที่จะไปที่อื่น เ, เลยนะคะรบับถ้ามาตามเวลาแต่ถึ จ, จะ ม, มาอย่างนี้ก็ต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์นะครั<พ>บเ<ถ>พิ่งเสร็จนานจริงๆท่าอยู่ภายในเวลารับแขกจะรับได้แต่ถ้อหลังจากเวลาแล้วก็ต้องขอ ขอตัวเจ้าค่ะคือหนูก็มาไม่ทัน2โมงก็ยังถามลูกว่าจะน่าเกลียดไหมมาตอนช่วงนี้แต่ลูกบอกได้ได้มาวินาทีไหนก็ดีซะนะถ้าหลังสี่โมงแล้วก็แต่สี่โมงก็ห้ามมาคเวลาสกัดหมดเวลาค่ะ เหมือนปิดร้านนะเจ้าขเจา้าขาเรื่องสองถึงสี่นี้เปิดร้านอ๋อหเจา<ม>า้าขามาได้อาจารย์จะได้คักถ่อนหมต้องมีเวลาเวลาหน่อยเจบางาที้นถ้าบางทีรับแขกคนคนเขาเขาไม่รู้เนี่ยเข้ามาหาเราสิบนาทีก็ไปแต่คนมันมาหลายคนเนี่ยเราต้องรับเป็นเหมือนกับหมอเนี้ยรับคนไข้ทั้งวันวทีว่าโอยหาหมอแค้สิบนาทีหมอไม่เหนื่อยหรอ แต่หมอนี่ยรักษาคนไข้ทั้งวันหลายคนหลายคนนะก็เหนื่อยพูดซ้าอีกซ้ำอีกพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างก็ยังลังเลกับเต้บอกถ้าตั้งใจมาโดยตรงก็มาได้สองโมงพอดีโดยตรงแต่ยิ่งๆเหมือนกับมีเวลาที่ได้อยู่พัทยาก็เลยแบบมากาดดีกว่าไม่ได้มากาดนเชนมาตามสบายไม่ต้องกังวล